เจรัญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ เพื่อให้จิตใจมีความสุขและมีความเจริญบุญนี้เป็นปัจจัยเหมือนกับสิ่งของต่างๆที่เป็นปัจจัยให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบุญก็เป็นปัจจัย ที่จะทำให้จิตใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกความวุ่นวายใจต่างๆบนนี้ก็เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราต้องมีไว้สําหรับดูแลร่างกายสิ่งที่จำเป็นต่อการดูแลร่างกายก็คือปัจจัยสี่ อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่อมหม่มอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่ร่างกายต้องมีถึงจะดูได้อย่างสุขอย่างสบายส่วนปัจจัยอย่างอื่นเช่นข้าวของอย่างอื่นนั้นเป็นปัจจัยรองมีได้ก็ดีไม่มีก็ยังอยู่ได้เช่นของใช้ไม้สอยต่างๆ รถยนต์ยานพาหนะโทรศัพท์มือถือทีวีวิทยุข้าวของอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ยังอยู่ได้ฉันใดบุญก็เหมือนกันบุญที่จิตใจจำเป็นต้องมีก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันเรียกว่าบุญหลักส่วนบุญรองนี่ มีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นบุญหลักของใจก็คือหนึ่งทานการให้สองศีลการไม่ทำบาป 3. ภาวนาการพัฒนาจิตใจให้สะอาดให้เจริญ ให้ฉลาดและสีการฟังเทศฟังธรรมที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้จิตใจได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนี่คือปัจจัยหลักของใจบนหลักของใจก็คือทานศีลภาวนาการฟังเทศฟังธรรมส่วนบุญรอง ที่ทำก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ก็คือบุญการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเช่นเวลาเราทําบุญแล้วเรามีความปรารถนาที่จะแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเราก็อุทิศไปได้เรียกว่าบุญอุทิศบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะทําหรือไม่ทํา แล้วแต่เหตุการณ์ก็คืออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญก็คือร่วมทำบุญกับการทำบุญของผู้เวลามีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายไปทำบุญเราอาจจะไปร่วมกับเขาหรือถ้าเราไปไม่ได้เราก็ฝากปัจจัยเงินทองไปร่วมทำบุญด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญ ก็จะทําให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นบนอีกอย่างหนึ่งที่เราทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ก็คือการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่น<ม>เวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้อื่นเข้าเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญเกิดจากการได้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับใช้ผู้อื่บุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำในโอกาสที่เหมาะสมก็คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัว ไม่อวดเก่งไม่อวดใหญ่อวดโตทำตัวเป็นผู้น้อยทำตัวเป็นเหมือนปัตถภีอันนี้ก็จะเป็นบุญที่จะทำให้จิตใจมีความสบายเพราะผู้ที่มีความอ่อนน้อมนี้จะไม่เดือดร้อนกับการดูถูกดูแคลนดูหมิ่นของผู้อื่นเพราะยอมเป็นผู้น้อยอยู่แล้ว ยอมเป็นผู้ไม่เก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนอวดเก่งอวดใหญ่อวดโตนี้จะมีความทุกเวลาที่ผู้อื่นเขาดูถูกดูแคลนไม่ยกย่องสรรเสริญเยืนยอนี่ก็คือบุญที่เราทำในภาวะที่เวลาเราไปพบปะกับบุคคลต่างๆ พยายามทำตัวเราให้เป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆไว้แล้วจะมีความสบายใจเพราะจะไม่ต้องหวังอะไรมากจากผู้อื่นถ้าทำตัวเป็นตัวใหญ่ตัวโตถ้าผู้อื่นเขาไม่รับความใหญ่ความโตของเราเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจได้บุญอีกอย่างนึง ก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือความเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงผลขอของบุญคือสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง นาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่กล้าทำบาปเราก็จะอยากจะทำบุญอยากจะภาวนาอยากจะพัฒนาจิตใจเพื่อตัดภพตัดชาติให้หมดไปนี่คือบุญรอง และบุญอีกอันหนึ่งก็คือการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะมีความรู้ที่เราสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ที่สนใจเวลามีใครมาถามเราเกี่ยวกับเรื่องธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็บอกเขาไปหรือว่าถ้าเราไม่มีแต่เรามีหนังสือดีๆ ของครูบาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่เราได้อ่านแล้วได้รับประโยชน์เราก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วยการพิมพ์เผยแผ่ถ้าเรามีกำลังทรัพย์ที่จะทำได้หรือไม่เช่นนั้นเราก็ร่วมเผยแผ่กับผู้อื่นเวลาที่มีการพิมพ์หนังสือแจกกันเราก็ร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างนี้ก็ได้บุญ ที่เกิดจากการให้ธรรมะซึ่งการให้ธรรมะนี้ท่านเรียกว่าเป็นการให้เป็นการชนะการให้ทั้งหลายให้อะไรก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ได้อย่าง สนิทได้อย่างถาวรมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้สัตวโลกดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีธรมม ร, รมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำให้สัตวโลกได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แล้วก็ปรากฏมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ทำได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างถาวรได้หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรมีเป็นจํานวนมากที่เรียกว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้หลุดพ้นเพราะท่านได้ ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วท่านก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างที่พวกเรามาปฏิบัติกันในวันนี้คือปฏิบัติบุญหลักทําทางอย่างต่อเนื่องตราบใดที่เรายังมีเข้าของเงินทองมากเกินความจำเป็น เราไม่ควรที่จะหวงไม่ควรที่จะเก็บข้าวของเหล่านั้นไว้ควรจะเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพราะจะเป็นประโยชน์กับเราเวลาเราให้เราจะได้บุญคือความสุขใจเราจะได้ไปสวรรค์ได้ถ้าเราไม่ทำบุญเราจะไปสวรรค์ไม่ได้ เช่นถ้าเรารักษาศีลเพียงอย่างเดียวแต่เราไม่ทำบุญเรายัางหวงข้าวของเงินทองไม่อยากจะแบ่งให้กับใครตายไปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ได้กลับได้ไปก็เพียงแค่ระดับมนุษย์คือผู้ที่รักษาศีลห้าได้นี้ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผี ไม่ต้องไปตกนรกก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไม่ได้ไปเป็นเทพเพราะไม่ได้ทําทานถ้าทําทานแล้วก็รักษาศีลได้เวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพถ้าทําทานรักษาศีลแล้วจเจริญสมถะภาวนาทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้ตายไปก็จะได้ไปเป็นพร ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าทำทานรักษาศีลเจริญสัมมาภวนาและวิปัสสนาาวนาได้ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์อันนี้จะเกิดจากการทำบุญหลัก คือททานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาควบคู่กับการฟังเทศฟังธรรมเพราะการปฏิบัติทางศีลภาวนาให้ถูกต้องได้นั้นจําเป็นจะต้องได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นการปฏิบัติที่เราไม่เคยทํากันมาก่อน ถ้าไม่มีคนสอนเรามักจะทำผิดกันเพราะเราไม่รู้เป้าหมายของการทำทานรักษาศีลของการภาวนานี้อยู่ที่ตรงไหนกันถ้าเราได้ยินได้ฟังเราจะรู้ว่าเป้าหมายของการทำทานรักษาศีลของการภาวนาก็คือการตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจเพราะความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่เป็นเชื้อของภพของชาติที่เป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตใจของเราต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดถ้ายังมีความอยากมีกิเลสมีตัณหาอยู่ภายในใจตราบนั้น ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไดเรื่อยๆดังนั้นเวลาเราทําทานเราอย่าทําด้วยความโลภด้วยความอยากได้ผลตอบแทนแม้แต่สวรรค์หรือแม้แต่ความยกย่องสรรเสริญเยินยอหรืออะไรก็ตามไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการเพื่อตัดความโลภที่อยากจะได้ทรัพย์มากเพิ่มขึ้นไป เราก็ต้องกำหนดว่าต่อไปนี้เราจะมีเงินเพียงเท่านี้ถ้ามีมากกว่านี้จะเอาไปทำทานให้หมดนี่คือเป็นการสกัดความโลภความอยากได้เงินทองที่จะทำให้เราจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นการสกัดความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเช่นพอเรามีเงินทอง เราก็อยากจะซื้อข้าวซื้อของทั้งๆ ท, ที่มันไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อแต่ก็อดไม่ได้พอเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมามีกระเป๋าใบใหม่ออกมารองเท้ารุ่นใหม่ออกมาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่รถยนต์รุ่นใหม่ออกมาพอมีเงินก็อยากจะซื้อทันทีหรืออยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานตามร้านอาหารหรูหราหรืออยากจะไปชมมหาลพต่างๆเหล่านี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าต้องใช้เงินใช้ทองก็จะต้องหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปรักษาสีลไปปฏิบัติธรรมได้นั่นเอง นี่คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อปิดประตูไม่ให้กิเลสได้ใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแล้วจะได้เปิดให้เรามีเวลาได้มาวัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันเพราะถ้าเรามัวแต่หาเงินมัวแต่ใช้เงินเราจะไม่มีเวลามา วัดได้ถ้าเราไม่ใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินพอเรามีเงินพอที่จะเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องได้เราก็หยุดหาเงินได้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะได้มารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมเพื่อทําลายความอยากทําทลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลาย ให้หมดไปจากใจของเรานี่คือเป้าหมายของการทําทางไม่ได้ทําเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์เพราะแม้แต่ได้ไปสวรรค์ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะสวรรค์เป็นที่อยู่ชั่วคราวพอมบุญที่เราทําไว้หมดไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ เป้าหมายของเราก็คือต้องไปแบบไม่กลับมาเกิดเราต้องไปสู่พระนิพพานการจะไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องหยุดการหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้มาหาบุญหากุศลหาธรรมะที่จะพาให้เราได้ไปสู่พระนิพพานกันดังนั้น เราต้องยุติการใช้เงินใช้ทองกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเพราะจะเป็นเหมือนกับเสพยาเสพติดพอเราใช้เงินทองแบบนี้แล้วเราก็จะติดนิดสัยจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆ ท, ทั้งที่เข้าของต่างๆเรามีล้นบ้านล้นตู้แต่ทุกครั้งที่เราเห็นเข้าของ เราก็อดที่อยากจะซื้อไม่ได้เราก็จะซื้อมาแล้วเราก็ต้องไปหาเงินมาเพื่อจะได้มาซื้อของต่างๆต่อไปนี่คือการทาทานเวลาเราอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นเราก็เอาเงินที่จะไปซื้อของนี้มาทำทานหรือถ้าเราอยากจะซื้อของก็ซื้อได้ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่น อย่าอย่าเอาเก็บเอาไว้เองอยากจะกินอะไรก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขากินอย่างวันนี้ญาติโยมก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมาให้พระได้ฉันได้รับประทานอย่างนี้เป็นการทําเพื่อสกัดตันหาความอยากต่างๆให้มันอ่อนกำลังลงไปแล้วเราจะได้มีกำลังที่จะได้รักษาศีลได้ การรักษาศีลก็เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเราเพราะถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เช่นศีลแปถ้าเรายังรักษาศีลแปดไม่ได้เราจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้มากได้อาจจะได้เพียงเล็กน้อยเพราะเราจะไม่มีเวลามากพอเราจะ เอาเวลาไปหาความสุขจากด้านอื่นเช่นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราถ้าถือศีล5เรายังหลับนอนกับคู่ครองของเราได้แต่ถ้าถือศีล8นี้เราหลับนอนไม่ได้เราไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนเราต้องการหาความสุขจากการภาวนาการทำใจให้สงบจากการทำใจให้ฉลาด เราก็ต้องถือศีลข้อนี้และเราก็ต้องขถือศีลข้อที่6คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเท่าที่ร่างกายต้องการก็พอเพราะถ้ารับประทานมากจะทําให้เกิดความเกลียดคร้านเกิดความง่วงเหงาหงานอนและจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรม พ่อมัวแต่เสียเวลากับการหาอาหารลัประทานรับประทานเสร็จก็ขี้เกียจอยากจะนอนดังนั้นเราจึงต้องถือศีลข้อที่6คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและเราก็ต้องถือศีลข้อที่เจคือละเว้นจากการหาความสุขต่างๆเช่นมอเครื่องมืหอละศพบันเทิงต่างๆ ดูภาพยนตร์ดูละครไปฉลองรับประทานอาหารข้างกินเลี้ยงไปล้องลําทำเพลงกันนี่เราก็จะไม่ทำเพราะเป็นการเสียเวลาถ้าเราทำแล้วเราจะไม่มีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเช่นเดียวกับการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมเสริมความงามโดวยวิธีการต่างๆ ด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมันน้อยน้ำหอมด้วยการทำเผ้าทำผมด้วยการาใส่เสื้อผ้าอาภรรสวยงามวิจิตพิสดารอันนี้เป็นการกระทำที่จะทำให้เสียเวลาและไม่ได้เกิดความสุขอย่างแท้จริงเกิดความสุขเพียงชั่วประเดียยวปดาพอพอสวนใส่เสร็จแล้วก็หายไป เอาเวลามาหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าก็คือการภาวนาแล้วก็ต้องไม่ลไม่หลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนนี้ควรหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายแต่ไม่ควรหลับนอนเพื่อความสุขความสบายใจวิธีที่จะหลับนอนแบบที่หลับเพื่อร่างกายก็คือต้องนอนบนพื้นแข็ง อย่าบอนอย่านอนบนฟูกหนาหนาเพราะถ้านอนบนฟูกหนาหนาเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็กยาอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายมันนุ่มแทนที่จะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็นอนต่ออีกเวลาก็จะหมดไปกับการหลับนอนแต่ถ้านอนบนพื้นแข็ง เวลาตื่นเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิไหว้พระสวนมนต์นี่คือเป้าหมายของการรักษาศีลรักษาศีลเพื่อให้เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมีกำลังที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้ จเจริญปัญญาการนั่งสมาธิก็เพื่อทำใจให้สงบเพราใจสงบแล้วจะมีความสุขนั่นเองพอใจมีความสุขใจจะมีพลังต่อสู้กับตันหาความอยากเวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้อยากจะทําก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้ จะได้ความสุขเพียงเดียวเดียวแต่จะได้ความทุกข์ตามมาทีหลังเพราะสิ่งที่เราได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปเวลาได้มาเราก็มีความสุขแต่เวลาเขาจากเราไปเราก็จะมีความทุกข์ถ้าใช้ปัญญาสอนใจแล้วมีสมาธิมีความสุกใจอยู่แล้วก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ ฝืนความอยากได้ไม่ทำความไม่ทาตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหายไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไม่มีความอยากก็ไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจก็จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ด้วยการภาวนา คือสมถะและวิปัสสนาภาวนานี่เองนี่คือเป้าหมายของการทำบุญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราทำกันทำเพื่อที่เราจะได้ตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดกองทุกข์ให้มันน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดเกิดจากการทำบุญหลักนี้ก็คือทำทานรักษาศีล ภาวนาฝังเทศฝังธรรมส่วนบุญอย่างอื่นก็ทําไปตามความเหมาะสมทําตามเหตุปัจจัยเช่นมีผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเราก็ทุกข์ทิศส่วนบุญไปมีเพื่อนฝูงไปทําบุญเราก็ไปร่วมทําบุญกับเขามีหนังสือธรรมะที่ดีๆเราก็พิมพ์แจกจ่ายกันไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญรองทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ บุญหลักนี้ต้องทำก็คือทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นเหมือนปัจจัยสี่ของร่างกายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ถ้าอยากจะดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ฉันใดถ้าใจต้องการมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องทำบุญหลักทั้งสี่ประการนี้ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย จงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไห้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้